แดินครั้งนี้กต็ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็พูดเกี่ยวในเรื่องการฟังธรรมและการแสดงธรรมก็วันนี้ก็จะต่อให้จบจากการศึกษาในครั้งที่แล้วจากข้อความในพระไตรปิฎกที่ได้ยกมาที่บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนให้เจริญกุศลทุกๆชนิดรวมทั้งกุศลก่าวคือการฟังพระสัทธรรมด้วย เหตที่พระบรมศาสดาสอนให้เจริญกุศลทุกๆชนิดนั้นเน่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานากุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยในขณะที่เราเจริญแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเพื่อจะเมื่อยังไม่ได้บรรลุขุนวิเศษก็จะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เจริญกุศลนั้นๆต่อไปในชาติหน้าอันนั้นคือวัตถุประสงค์ในการที่จะ อบรมหรือว่าเจริญกุศลในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของอานิสงส์ทั้งสประการที่บอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเรียนธรรมะคือรวังคสตสัตว์มีสุตตะเคยยะอวยากรนาคาถาเป็นต้นธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุฟังเนืองๆข้องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมที่บอกว่าเธอมีสติหลงลืมใช่ไหม ในที่นั้นก็คือว่าเมื่อทากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกาหมู่ใดมู่หนึ่งบทแงทงรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดช้าแต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุ ค, คุณวิเศษได้เร็วพันดูก่อนภิกษูทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งททั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองเนืองครองปากแล้วก็ขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ อันบุคคลพึงหวังได้อัตถกาถาท่านขยายความบอกว่าผู้ที่เล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมะอยู่เนืองๆสาทยาจนคล้องปากขึ้นใจเนี่ยและเข้าใจธรรมะนั้นอย่างถูกต้องด้วยเหตุผลของปัญญาเนี่ยแต่มีสติหลงลืมทากาละคือตายแบบมีสติหลงลืมทากาล่เนี่ยท่านอธิบายว่า เมื่อเวลาตายยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเน่ยเมื่อตายแล้วถ้าไปเกิดในเทวโลกทีนี้ในขณะที่สวยสุขเวทนาหรือความสุขในเทวโลกนั้นเนี่ยทำทั้งหลายที่เคยที่เขาเคยศึกษาเคยฟังจนคล่องปากขึ้นใจเนี่ยนีก็ปรากฏแก่เทวดานั้นเหมือนกับเงาที่ปรากฏอยู่ในกระจกนะั่นถึงแม้ว่าสติจะเกิดช้า เขาสามารถจะระลึกธรรมที่เคยฟังเคยศึกษาในพบก่อนได้ช้าก็ตามเนี่ยแต่เมื่อระลึกได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะนั้นและในที่สุดจริงๆก็คือว่าเขาสามารถจะเป็นพระริยะได้เร็วพันคือไปบรรลุในบนสวรรค์ได้เออถ้าหากว่าเคยศึกษามาในโลกมนุษย์พอไปเกิดเป็นเทวดาสามารถระลึกขึ้นมาได้โดยไม่ต้องอาศัยใครบอกก็ได้ ฉะนั้นคนศึกษาพระธรรมมามากใครควรไตรตรองให้เข้าใจอยู่เสมอเนี่ยจึงได้รับผลมากก็สามารถที่จะบรรลุได้เร็วด้วยเออถ้าพิจารณาจากคำสอนตรงนี้เป็นต้นที่เราได้กล่าวกันไปแล้วเนี่ยเออทำให้เรานี่เขาเรียกอานิสงส์อานิสงส์แห่งการฟังว่าธรรมคำว่าอานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนี่ยคำว่าอานิสงส์ในที่นั้นก็แปลว่าผลอ่าผล ที่เกิดขึ้นจากการกระทําเนี่ ย, ยทีนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเนี่ยบางทีในปัจจุบันนี่เราทํำกันไปเรื่อยๆอย่างนเนี้นะตั้งใจฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยเออบางทีเราไม่คิดนึกว่าผลมันยิ่งใหญ่เลยคือแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วทีนี้การพบ ก, การฟังธรรมก็ก็มุงมั่นมากขึ้นเมื่อเมื่อวันก่อนก็ ก, ก็ก็สนทนากันก็อกว่า การฟังทำเนี่ยเออให้สังเกตอยู่อย่างนะว่าโคดห้าเท่าที่สังเกตในคําสอนเนี่ยตรวจดูในพระธรรมคําสอนเนี่ยเนี่ยคนบางคนเนี่ยบางทีเกิดมายากจนเนี่ยนะแต่พอได้บรรลุเป็นผ้าเหรียญบุคคลแล้วร่ํารวยหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกอันนี้พิสูจน์ได้นะลองทําให้มันบรรลุได้เขาอัรวยทุกคนเลยก็ อ, <c oughs> อย่างสุภาพุทะกุฏีเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยไปฟังธรรมเนี่ยฟังไปฟังมาแล้ว ไอเรื่องซับภายในขอให้มีเรื่องซับภายนอกนี่ง่ายมากเขาบอกงั้นนั่นนีออ่นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้นี่เป็นอั น, นิี่สองข้อข้อแรกทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าอั น, นิี่สองประการต่อมาก็คือในลักษณะเดียวกันนั่นแหละฟังเนืองเนือ ง, องข้องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิแต่ในขณะที่ตายไม่ได้เบลุ ค, คุณพิเศษ เป็นปุถุชนอย่างเดิมแต่เมื่อตายแล้วไปเกิดในเทวโลกบทแห่งธรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏแก่เทวดาผู้มีความสุขในภพนั้นเลยคือไปอยู่ยังไงก็ไม่ปรากฏใช่ไหมแต่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญแห่งจิตแสดงแก่เทพบริษัทเทวดานั้นก็คิดได้ว่าเออในการก่อนเราได้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในธรวินัยนี้ได้เคยฟังว่รทำนะว่างั้น แม้เทวดานั้นระลึกบทแห่งธรรมนั้นได้ช้าแต่เมื่อระลึกได้แล้วก็บรรลุคุณวิเศษได้เร็วพันอันนี้อุปมาเหมือนบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเนะี่ยเดินทางไกลๆไปได้ยินเสียงกลองเขาจะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยเลยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเน่ยเป็นเสียงกลองหรือไม่ใช่คือก็ฟังเขก็รู้ทันทีอันนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองเนะี่ยไอ้คำว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์ชำนาญแห่งจิตนั้นน่ยน ะ, นะนะได้แก่ภิกษุผู้เป็นพระอรหรันต คือคนที่มีอภิญญาถือว่าชนานํานาญแห่งจิตทั้งนั้นท่านในสมัยปัจจุบันที่มีอภิญญามากๆที่ขึ้นไปแสดงธรรมแก่เทวดาบ่อยๆก็คือพระโมคะลานะพะโมคะลานะั้นเนี่ยท่านไปแสดงบ่อยคือว่างๆท่านก็ขึ้นไปบนสวรรค์ท่านก็ไปแสดงธรรมให้แกเทวดาบังงั้นถ้าเราไปอยู่บน้นใช่ไหมในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสสาวกของพพุทธเจ้าต้องมีสักองค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มาก ประเภทที่ว่าชนานํานาญเอตตะค่าในในฤทธิ์เนี่ยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากสาวกประเภทเนี้เกิดขึ้นขึ้นไปแสดงธรรมให้เราฟังนี่ประเภทแบบเพลิดเพลินจัดเลยเนะประเภทเนี้ยขึ้นไปแบบว่ามันระลึกไม่ได้ห่วงเที่ยวอ่ะเราเที่ยวดะกลุ่มกลุ่มคนย่อาเที่ยวต้องรอคนมีฤทธิ์ขึ้นไปไปเจอคนมีฤทธิ์ขึ้นไปเนี่ยแสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วสลดสังเวชใจเพราะว่า พอไปอยู่นั้นก็เพลิดเพลินเยอะโมเที่ยวทําไม่ค่อยห่วงเที่ยวบรรลุเองคิดคิดเองแล้วบรรลุนั่นคือกลุ่มที่สองส่วนประเภทที่สามก็คือว่าก็ไม่ต่างกันนะนะแต่ว่าแปลกกันอยู่ตอนตอนท้ายตายยังเป็นบุตรชนเหมือนกันทีนี้พอไปเกิดในเทวโลกนั้นนี่ยเมื่อเมื่อท่านตายไปเกิดในเทวโลกนั้นท่านก็ระลึกถึงธรรมที่เคยศึกษาเราียนแล้วก็คล่องปากขึ้นไม่ได้ คือเลือกเองก็ไม่ได้กลุ่มเนี้แล้วก็ไม่มีภิกษุที่มีฤทธิ์ไปแสดงให้ฟังแต่อาศัยเทพีบุตรเทพบุตรนะเนี่ยอย่าลืมนะว่าเทพบุตรในที่นั้นที่แสดงธรรมบนนั้นได้ในพระอริยะทั้งนั้นแหละพระอริยะมีเยอะพระอริยในพระพุทธเจา้าองค์ปัจจุบันก็มากองค์อ่อนก็ยังมีอายุอยู่เนี่ยนะเขาก็กลุ่มนี้เขาจะแสดงธรรมตลอดเขาไม่ประมาทหรอกพระอริยบุคคลเนี่ยถ้ากลุ่มพุทรชน นี่เราอาศัยว่าเป็นบุตรชนใช่ไหมเขาเรียกเรียนมาดีพอสมควรแต่ถ้าไม่เรียนมาดีเนี่ยเห็นเขาฟังทำก็ไม่ชอบอีกไม่ชอบฉะนั้นเราเรียนไปดีใช่ไหมก็เรียกว่าถ้าไปเรียนต่อก็ไม่ยากถ้าไปเรียนต่อก็ไม่ยากกลัวว่าถ้าเรียนไปไม่ดีเดี๋ยวไปโอ้โหเขาไม่รับเข้าโรงเรียนก็อีกลําบากเลย ฉะนั้นเทวดานั้นได้ฟังแล้วก็ระลึกได้ทันทีว่าธรรมะที่ได้ฟังนี้แหละเป็นธรรมวินัยที่เคยศึกษาเคยประพฤติมาแล้วแต่ครั้งยังเป็นภิกษุก็ดีเคยเป็นภิกษุณีบาศกแล้วบาสิกาแม้ว่าระลึกได้ช้าแต่เมื่อระลึกได้แล้วก็บรรลุคุณทีเสรได้เร็วพันอันนี้เขาเรียกเป็นอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยญปัจจัยเนี่ยพูดอีกในหนึ่งเขาเรียกปกจตูวณิสัยญปัจจัย เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเหมือนบุรุษผู้ฉลาดในเสียงสังเวลาเขาเป่าสังเนี่ยเขาเดินทางไกลเมื่อได้ฟังเสียงสังเขาก็ไม่มีความสงสัยเวย้ยเสียงสังที่ได้ยินเนี่ยใช่เสียงสังหรือไม่ใช่เขาไม่สงสัยหรอกถ้าเคยได้ยินแล้วเนี่ยแต่เขาสามารถตกลงใจได้ทันทีว่านั้นเสียงสังแม้ฉันใดเพกษูนยที่ได้ยินเทพบุตรแสดงธรรมก็ฉันนั้นเขาสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าธรรมวินัยที่เขาได้ฟังมาเนี่ย โอ้เขาเรียนมาอย่างดีแล so cool. ้วฉะนั้นพอกลับไปฟังอีกเกิดไปทบทวนทบทวนไม่นานก็บรรลุเลยเหตุที่เขาบรรลุเนี่ยเพราะว่าเขาได้หนึ่งได้อาหารที่มันเป็นทิพย์ใช่ไหมได้อุตตุที่มันเป็นทิพย์ได้อภพรที่อวสัยที่มันเป็นทิพย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสมองก็ดีใช่ไหมไปเกิดบนน้นของอะไรที่มันมันสมบูรณ์อยู่แล้วแค่ไปฟังสกิตระระลึกได้แหละอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังไปเลยเนี่ยนะกลับไปก็ไปนั่งมึนอยู่เนี่ยคิดไม่ออกคิดไงอะคิดไม่ออกและฟังไปฟังมาก็ไม่เข้าใจก็ก็เป็นความลําบากแกผู้ผู้สอนในในอนาคตนี่นั้นเราเรายอมลําบากซะตอนนี้ใช่ไหมพอไปข้างหน้าก็ก็ไม่ลําบากดังนั้นคนสอนก็จะตำหนิเราโอ้โหอะไรอุสารมาเป็นเทียวดาทั้งทีฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเนี่ย ก็ต้องหนีทำที่ได้ฟังนั้นเป็นธรรมวินัยที่เคยศึกษาอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ข้อที่สามแห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดได้ดีได้ทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้เออจากจากข้อความในพระสูตรเนี่ย<ม>การกระทําอะไรจนติดเป็นนิสยัยตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็ทําให้จําสิ่งนั้นได้อย่างคล่องแคล่วนั้นการทําอะไรเป็นอุปนิสัยนี่เป็นเป็นเรื่องดี เขาเรียกว่าทำจนคล่องจนขึ้นใจแล้วก็ลักษณะอย่างเนี้จะทําให้เราไม่ประมาทมัวเมาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้เจริญกุศลทุกชนิดรวมทั้งการฟังทำอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะได้เป็นปัจจัยในภพต่อไปส่วนหน้านี้สองในข้อที่4นี้สรุปนะเนีข้อที่4พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเราเรียนระวังข้าขาสุศาสองเก้ามีสุตตาเคยยะเวยากรนาเป็นต้นทำเหล่านั้นอันภิกษุฟังเนือง ฟังเนืองเนืองก็แปลว่าฟังประจำประจาเนี่ยคล่องปากคล่องปากนี่คือสาธยายเมื่อไหร่ก็ได้นะไอคําว่าคล่องปากเนี่ยเราเราต้องนึกอย่างนี้เลยนะคําว่าคล่องปากเนี่ยถ้าถามบอกว่าเอ๊ะที่เราศึกษาคําสอนมาทําว่าเอฟังเนืองเนืองก็ดีอยไปถามคล่องปากไว้มันท่องอะไรไม่ได้สักบทอันนี้ก็อันนี้ไม่คล่องปากถ้าคล่องปากก็แปลว่าอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยคือจะกระดกลิ้นเมื่อไหร่ก็พูดได้เหมือนะอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่า มันทวนอะไรไม่ได้สักบทเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกไม่คล่องปากแล้วก็ไม่ขึ้นใจทีนี้ถ้าไม่คล่องปากแล้วเนี่ยถามว่าแล้วคิดอะไรใช่ไหมจะแทงตลอดได้ดีด้วยปัญญามันก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวบทตัวอัดตัวธรรมะอะไรนี่เป็นอย่างนี้บางคนก็โบอกฟังธรรมะแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจที่ไหนได้คือไม่จำํำคือไม่คล่องปากทีนี้ในกลุ่มนี้เหมือนกัน เมื่อเธอมีสติหลงลืมทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นเลยแม้ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจิตก็ไม่ได้แสดงแก่เทพบริษัทธแม้เท พ, พบุตรก็ไม่ได้ฟังธรรมในเทพบริษัทธนั้นแต่เทพปบุษผู้เกิดก่อนเตือนเทพพุตรที่เกิดทีหลังไอ้นี้ไม่ได้หนึ่งระลึกไม่ได้สองไม่มีเท พ, พบุตรแสดงสองไม่มีพระ พิสูจที่มีฤทธิ์ไปแสดงเนี่ยประเภทนี้ก็มีเทพบุตรมาสกิดเออท่านผู้ไม่มีทุกข์ท่านผู้นิราทุกข์ย่อาระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในการก่อนเออได้จําได้ไหมเมื่อก่อนก่อนไปฟังธรรมะบ่อยๆเขานาก็อย่างนี้เนี่เธอก็กล่าวว่าเราระลึกได้ท่านผู้มีฤทธิ์เราระลึกได้ท่านผู้นิราทุกข์สติก็บังเกิดช้าคือระลึกได้ช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพัน ดูกนภิกษุทั้งหลายสองสหายเล่นฝุ่นด้วยกันมาพบกันบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งสหายคนหนึ่งก็กล่าวกับสหายคนหนึ่งว่าสหายท่านระลึกถึงการกระทําอันนี้ได้หรือไม่เขาจึงกล่าวว่าเราระลึกได้เราระลึกได้ชันใดภิกษุเนี่ยนะเราเรียนพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาก็ฉันนั้นย่อมเป็นผู้ฉลาดปรรลุคุณิเศษได้โดยเร็วพันดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอานิสง์ อันนี้สองคือเป็นผลที่หลังไหลเรามา4ี่ประการในแห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆครองปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันภิกษุพึงหวังได้อันบุคคลพึงหวังได้เออถ้าสรุปตรงนี้ก็คือว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมะศึกษาธรรมะจนค่องในชาตินี้ตายไปเกิดในเทวโลกสามารถที่จะ ละลึกถึงทำมาที่ตนเคยศึกษาเล่าเรียนมาจนคล่องได้โดยตนเองแล้วก็บรรลุคุณวิเศษได้เร็วพันอันนี้หวังว่าใครคนใดก็หนึ่งคงจะไปจับคุณวิเศษได้ในพบต่อเลยเนะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้บรรลุก็สบายใจไม่ต้องมาเจ็บปวดกันและประการต่อมาก็คือว่าถ้าละลึกไดลึกไม่ได้เองก็ได้ฟังภิกษุผู้มีฤทธิ์มีพระอรหันต์ที่ได้พิญญาแล้วก็บรรลุคุณวิเศษได้ ถ้าระลึกเองไม่ได้ไม่มีภิกษุที่มีฤทธิม์มาแสดงแต่มีเทพบุตรแสดงธรรมะให้ฟังก็ระลึกได้แล้วก็บรรลุคุณวิเศษได้หรือถ้าไม่ได้ในสามข้อนั้นนะนะคือไม่มีระลึกเองก็ไม่ได้ภิกษุที่มีฤทธิ์ก็ไม่แสดงธรรมเทพบุติก็ไม่แสดงให้ฟังแต่มีเทพบุตรในการก่อนตักเตือนเนี่ยนะก็ระลึกได้แล้วสามารถที่จะระลึกคุณวิเศษได้เร็วพันนี่นะรวมรวมสี่ประการเนี่ย ฉะนั้นความจริงอั น, นิสงส์แห่งการบังธทำศึกษาทำจนคล่องในชาตินั้นข้อสําคัญที่เป็นอันเดียวกันได้ก็ได้แก่การบรรลุธรรมในชาติหน้าได้โดยอย่างรวดเร็วนั่นเองนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะว่าเาการปังธรำอยู่เนืองๆคล่องปากขึ้นใจแดงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่ก็เป็นปัจจัยแห่งการบรรลุได้คือสามารถที่จะระลึกเองได้บ้างมีภิกษุแสดงแสดงก็ระลึกได้บ้างเทพบุตรแสดงก็ระลึกได้บ้าง หรือเทพประบุในการก่อนตักเตือนก็ระลึกได้บ้างเพราะฉะนั้นนะ่นะพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอา น, นิสงส์แห่งการศึกษาพระธรรมเนี่ยอา น, นิสงส์ยิ่งใหญ่อย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าชาตินี้จึงถึงแม้ไม่ได้อะไรแต่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเขาเรียกว่าอุปนิสยปัจจัยอะให้บรรลุคุณธรรมให้พหน้าได้อย่างง่ายได้นี่เขาเรียกว่าอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมทีนี้นอกจาก อา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมที่ได้รับในชาติหน้าสี่อย่างแล้วเนี่ยในนันทกาศูตรอังคุตตะนิกายนวกามิบัตในข้อ208ท่านแสดงไว้บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันเนียอารามของท่านนานาทะปินทิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั่นแล้วท่านพระนันธกะชี้แจงก็ชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายอาถาน ราเริงด้วยทำมีกถาก็คือแสดงธรรมในอุปทานศสาลาครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกจากที่หลีกเล่นแล้วก็ไปยังอุปทานนัาลานะั้นแล้วก็ประทับยืนรอจนจบกระถาอยู่ก็คือยืนฟังเนี่ยนะนาทีส้มประตูด้านนอกขันรมทราบว่ากระถาจบแล้วคือพระรู้ว่าพระนันทกะนี้แสดงธรรมจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ไคแอม แล้วก็เคาะที่ริมประตูพิกษุเหล่านั้นเปิดประตูให้พระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีภาคเจ้า ก, ก็เข้าไปยังอุปทานศสาราประทับนั่งบนอาสนะที่ปูวไว้คันแล้วได้ตรัสกับท่านพรนนันทกวะว่าดูก่อนนันกทกะทมบรรยายของเธอนี่ยาวมากแ <c oughs> จมแจ้งแก่พิกษุเรายืนรอฟังทำจนจบคถาอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกจนเมื่อยละเออฟังตอนนี้อ่ะ ถ้าพระฟังตกใจกันนะเนะ่ยคือเจ้าของทำรร ม, มาไม่เห็นเนีใช่ไหมเจ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าเห็นทำใช่ไหมมานั่งมายืนฟังอยู่แต่อย่างเราก็ไม่กล้าพูดเลยนึกไม่ออกเชื่อไหมว่าพระที่เป็นปุถุชนโดยส่วนมากถ้าพธอยากให้แสดงธรรมต่อหน้าเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าเพรารู้ว่าละจิตใช่ไหมตอนเนี้ถ้าอัตถกถาอธิบายไว้บอกว่า ท่านพระนันทกะนี่แสดงธรรมอยู่ที่อุปสถานศาลาคือโภชนะศาลาหรือหอฉันน่ยหอฉันน่ะฮัอย่างนี้ก็เรียกหอฉันขึ้นไปข้างบนพระพุทธองค์ก็เสด็จไปใกล้หอฉันแล้วก็สดับเสียงธรรมมันเพลาะของท่านพระนันทกะพระนันทกะนี่แสดงธรรมเพราะจึงตรัสแก่ท่านพระอานุ์ว่านันทกะกําลังแสดงธรรมด้วยเอยคําอันเพลาะแม้เราก็จักไปฟังธรรมว่ากันเพาะงั้นน่ย ด้วยเหตุนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปที่หอฉันแล้วก็ประทับยืนอยู่ภายนอกประตูสองสดับธรรมที่พระนันทากา์แสดงอยู่จนตลอดคืนเลยคือแสดงตั้งแต่หัวค่มเนี่ยจนตลอดคืนนะแล้วยืนนิ่งอยู่งั้นเลยนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะยืนอยู่ในอิริยาบถเดียวแล้วฟังธรรมเนี่ยไม่น่าจะทาได้คนที่จะต้องมีสุขภาพเป็นอย่างดีนะถึงจะสามารถ แสดงยืนได้ขนาดนะั้นคือพระนั่งแสดงธทำเนี่ยถ้ามีคนยืนฟังเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าหากพระยืนแสดงทำเนี่ยถ้าคนนั่งฟังเนี่ยไม่ได้ต้องยืนสักคนหนึ่งถึงจะคุ้มของได้อย่างนี้เป็นต้องหรือถ้ายืนทั้งหมดนั่นก็ไม่เป็นไรไอ้นี้เป็นอย่างนี้เนยะยั้นการยืนฟังธรรมนะก็ถือว่าเคารพหนึ่งเหมือนเวลาพระไปบิณฑบาตเนี่ยพระบางแห่งก็ให้พรยอมนั่งเนี่ยอันนี้ไม่ควรอย่างนี้ อันนี้เป็นการกล่าวพระธรรมที่ไม่ถูกพระเป็นอาบัติแต่โยมไม่รู้เวลาพระให้พรเนี่ยยมต้องยืนรับต้องยืนรับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เลยพระพุทธเจ้าก็พระอนนท์ก็ทูลเตือนให้เสด็จกลับไปพักผ่อนตั้งแต่ยามต้นแล้วพอได้ปทโสมยามใช่ไหมได้ปทโสมยามพระอนนท์ก็บอกว่าพระเจ้าข้าเนี่ยบอกว่าสี่ชั่วโมงแล้วในทรรนองอย่างนั้เนี่ยขออาไรธนาพุทธเจ้าเสด็จกลับ แล้วก็ทูลเตือนในยามที่สองด้วยถึงยามที่สองพ่ออานนทน์ก็เตือนอีกพระ อ, องค์ก็ไม่เสด็จกลับนะเมื่อทรงสดับธรรมมาจบแล้วเนี่ยก็ไปในหอฉันก็ตรัสแก่พระนันทกาว่าธรรมัญญยายของเธ อ, อยาวามากเป็นที่เจ่มแจ้งแกภิกษุเนี่ยนะเราแตถาคตยืนฟังอยู่ตลอดคืนจนมวยจนเมื่อยหลังเนะี่ยตอนนี้ท่านคงจะเห็นว่าพระบรมศ า, ศาสดานะนะั้นน่ยแม้จะเป็นเจ้าของของธรรมะถ้าท่านพระนันทกาสแสดงธรรมนี่ มาที่เคยฟังมาจากพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงแทงตลอดและรู้แจ้งแล้วทั้งสิน้นถึงกันนั้นพระองค์ก็ยังเคารพประทำเป็นอย่างยิ่งประทับยืนฟังสาววของพระองค์แสดงธรรมอยู่ตลอดทั้งคืนเลยเนออต้องอย่างนี้ต้องหวนกลับมาดูอย่างเราท่านทั้งหลายดูเนี่ที่เราไม่เคยรู้จักธรรมะเนี่ยที่คือเราไม่เคยรู้และแม้แต่ผู้แสดงได้แจ่มแจ้งไพโรอยอย่างไรเราสามารถจะอดทนยืนฟังถ้าสมมุตินะ เรารู้ธรรมะหมดแล้วนี่ฟังอย่างสมุทันทับเนี่ยโอ้เทศสอนใครมากๆแล้วสมมตุติไปถึงก็ได้ยินเขาเอาสูตรนั้นแล้วมากล่าวใช่ไหมและเราก็เข้าใจอัดเข้าใจธรรมะเข้าใจเบื้องต้นและที่สุดเข้าใจทั้งทั้งงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเข้าใจอัดและพยันชนะอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่เจอมมตัวเขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าไงเ น, น โอ้ยสูตรนี้กล่าวมามจนคล่องปากขึ้นใจแล้วอันนี้เราไปได้ยินคนอื่นก็พูดอยู่แล้วก็พูดตามที่เราเคยรู้ได้เลยนะถามว่าจะฟังไหมบอกว่าไม่จะฟังจนเบือ่อแล้วเขาอกแค่นนะั้นนี่เยอะมากเกอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าตรงนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนั้นพระธรรมนั้นมีค่ามากไนงะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านันทการู้สึกสะดุ้งกลัวเหมนะือนกันแล้วก็กราบทูลว่าคาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบ ไม่ทราบเลยว่างั้นนะว่าพระผู้มีพระเจ้าประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกถ้าพระองค์ทราบแล้วเนี่ยคํามีประมาณเท่านี้ไม่พึงจะแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เลยบอกถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงตามเนี่ยข้าพระองค์คงเทศไม่ออก อ, ะ <c oughs> อ่ะคงบรรยายไม่ได้เลยลําลดับนั้นพระพุทธเจ้าทราบว่าท่านพนันธกษะเสียใจยจึงตรัส ด, ดีแล้วดีแล้วพนันทกะ ข้อที่เธอทั้งหลายพึงสนทนากันด้วยทำรรมีกถาสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชจากเรือนบวชเป็นบรรดชิตด้วยศรัทธาเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเนี่ยดูก่อนนั้นตทกาถ้าเธอทั้งหลายผู้ประชุมกันอยู่พึงทํากิจสองอย่างนะถ้าเธอทั้งหลายมาประชุมกันเนี่ยเธอทั้งหลายพึงทํากิจสองอย่างหนึ่ ง, งกาวทำมีกถาสองดุจเสนียภาพของพระอริยะคือถ้าเธอมารวมกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยนะสององค์ขึ้นไปเนี่ยนะเธอเพึงทํากิจสองอย่าง อ, อีกอย่างหนึ่งคือกล่าวธรรมะกันถ้าไม่กล่าวธรรมะกันก็ให้ต่างคนต่างนิ่งอันนี้เป็นเป็นคำสั่งนะเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายก็เอาตรงนี้ไปเป็นไปเป็นข้อปฏิบัติกันะนะเวลาเจอหน้ากันก็เกล่าวธรรมมีกระถาหรือกล่าวธรรมะกันแต่ถ้ามันนึกธรรมะไม่ออกก็นิ่งนิ่งก็ฮะนิ่งๆิ่ต่างคนต่างนิ่งก็ พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลคือถ้าหากว่ามีศรัทธานะแต่ไม่มีปาฏิโมกสังวรศีลเป็นต้นเนี่ยชื่อว่ายังไม่สมบูรณ์ในองค์นั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและศีลเมื่อนั้นจึงชื่อว่าสมบูรณ์ในองค์นั้นดูก่อนนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและศีลแต่ยังไม่ได้เจโตสมาธิในภายใน มีศรัทธาจริงมีศีลจริงแต่ไม่ได้ฌานน่ยก็ชื่อว่ายังไม่สมบูรณ์ในองค์นั้นเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในอันนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยศรัทธาก็มีศีล4อย่างนะปฏิโมกสังวนศีลอินทรสังวรศีลอาชีวะบระสสิสุทธิ์ศีลปัจจิยะสันนิสิตาศีลบริสุทธิ์แล้วยังมีเจโตสมาธิมีปฐมฌานทุติยฌานตัดยฌานเจตุยฌานเป็นต้นเนี่ย มีอากาสาัญจาเยตนะวิญญาอาคินเนวาเป็นต้นได้สมาบัติน่อย่างนี้เขาเรียกว่าชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ในองค์นั้นดูก่อนนันตะกะภิกษุผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่ได้เห็นแจ้งซึ่งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่สมบูรณ์ในองค์นั้นดูก่อนนันตกะเปรียบเสมือนสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้า แต่เท้าข้างหนึ่งของมันเสียพิการไปอย่างนี้มันชื่อว่าเป็นผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยองค์นั้นฉันใดดูก่อนภิกษูตทั้งหลายออดูก่อนนันทกะภิกษุนั้นก็เหมือนกันเป็นผู้มีศรัทธามีศืุ่นไ ด, ได้ได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่เห็นแจ้งได้ปัญญาอันยิ่งดูก่อนนันทกะเมื่อใดแลภิกษุมีศีลมีเจโตสมาธิในภายในมีศรัทธามีศีลมีเจโตสมาธิในภายใน และได้รู้แจ้งซึ่งธรรมด้วยปัญญายิ่งเมื่อ น, นั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นขันพระพุทธเจ้าตรัสวยากราณ์ภาษีนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปยังพระวิหารคือพระคันตะกุดีเ อ, อ่พอเล่าเรื่องตรงนี้ทำให้เห็นว่าท่านอุปมาได้ดีเนยท่านบอกว่าสัตว์เนี่ยถ้ามีสี่เท้าเนี่ยมันดีใช่ไหหรือคนเนี่ยสองเท้านี่ดีแต่ถ้าขาข้างหนึ่งพิการเนี่ยไม่ดี ภิกษุเป็นต้นในพระธรรมวินัย น, นี้ก็ฉันกันเออศัทธามีอันนี้ก็ขาข้างหนึ่งเดียวศีลก็ดีก็ชื่อว่าขาข้างหนึ่งดีเอาถ้าหากสมาธิไม่ดีอันนี้ไม่ไม่สมบูรณ์ในองค์นั้นแล้วเนะี่ยเอาแต่ศีลสมาธิมีศัทธาศีลสมาธิมีแต่ไม่มีปัญญาที่ไปรู้อริยสัจวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันนี้ไม่เคดีเหมือนคนขาพิการ ควายเนี่ยนะวัวควายนี่นะีนนะ่สี่ขาถ้าพิการโดยสักขาก็าเสียเนี่ยมูสมบูรณ์หมดเลยเนะแต่อีกขาหนึ่งมันมันพิการอุศีล ส, สมาธิปัฏฐาศีนสมาธิดีว่างั้นแต่ไม่มีปัญญาแทงตลอดอริยสัจอย่างงั้นนะ่ยนะขาพิการก็ไม่ดีเนี่ยพอพูดถึงพอพูดถึงควายเนี่ยไปเจอพระเถระรูปหนึ่งท่านเล่าไว้เนี่ยท่านเล่าไว้ก็บอกว่า เออมีมีมีคนคนหนึ่งแกแกชื่อสายเนี่ยโยมวันนี้ชื่อใหญ่สายสมัยราชการที่ที่สี่ที่ห้านั้นเออแกเป็นหนี้รับเป็นหนี้แกเลยเป็นหนี้น้องสาวอยู่สี่บาทเมืนนยเยอะนะ่อเงินสี่บาทในยุคนั้นนี่เยอะเนี่ยสี่บาทนี่เยอะพอเป็นหนี้นี่อยู่ต่อมาแกก็ตายใช่ไหมนี่พอตายไปเสร็จอันนี้นี่นี่เป็นเรื่องเล่าเนะถ้าภาพไปแล้วไอ้ที่ไปอยู่พม่า แล้กลับมาท่านก็เล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้แต่ไม่ทราบว่าใครเล่าให้ท่านฟังเพราะท่านไม่บอกทีนี้ก็นี่ยาสายก็มีลูกชายลูกชายก็แต่งงานนี่น่พอไปแต่งงานระยะหนึ่งแม่ก็ตายไปสองปีสมปีไปสองปีนี่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะอ่าภรรยาของไอ้ลูกชายของยายสายก็ตายเออก็ฝันเออในความฝันเนี่ยบอกว่าควายมาเข้าฝัน บอกว่าโ อ, อ้มาช่วยแม่ทีถามเรา ม, มาบอกแม่ไปเกิดเป็นควายบอกไปไทถแม่ออกมาแล้วลาบากก็เกินว่างั้นเอาเป็นควายอยู่ที่ไหนอะ อ, ะอยู่กับ น, น้องสาวทีนี้ก็จะเล่าให้สามีฟังก็กลัวสามีด่าก็ไม่กล้าเล่าในคืนที่สองฝันอีกแล้วฝันไอ้ควายตัวนี้มาเข้าฝัานอีกเลยก็ไม่กล้าเล่าไอ้คืนที่สามไมคา์ครั้งโอ้ไม่ไหวแล้วก็เลยไปเล่าปรึกษาสามี พปรึกษาสามีสา ม, มีก็เออลองลองไปพิสูจน์กันดูจริงหรือเปล่าก็ไปอําเภอหนึ่งก็ไปหาป้ามั้งก็เรียกป้าใช่ไหยน้องแม่เรียกน้าใช่ไหมก็เลยไปเขาไปเล่าให้น้าฟังน้าก็เออแปลกเอื้อเนี่ยลองไปที่คลอกควายเ อ, อเ็งไปลองเรียกดูทิว่าว่างั้นเนี่ยก็เลยให้ลูกชายไปไปที่คลอกควายก็เลยเรียกแม่สายแม่สายเรียกอย่างเงี้ยก็มีควายตัวเมียตัวนึงมันวิ่ง ร, รุดรุดมาเลยว่างั้นเนี่ย พอมาถึงโอ้โหมันมันมาซบใหญ่เลยร้องไห้ควายร้องไห้ <c oughs> นีก่ก็เลยดูอ๋อเป็นหนี้สี่บาทก็เลยไปไทยเอาเงินไปไทยมานะ้าก็ไม่เอาแลอวไห้ให้ไป <c oughs> เขาเล่ามาอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะึงอันในยกวัดน้อยนี่ก็มีนะหลวงเนียมเนี่ยอันนี้เขาก็เล่ามาเหมือนกันอยู่ใกล้ๆวัดน้อยได้ยินข่าวบ้งางว่า <c> ม <oughs> ีคนเขาเล่าอยู่ฟงเหมือนกันเามีล้องตาง เขบวชมากก็ไม่ค่อยได้พิจารณาไม่ค่อยได้อะไรต่างต่างต่อมาก็ตายใช่ไหมเออพออยู่ต่อมาก็มีลูกควายอยู่ตัวงอยู่ใกล้ใกล้วัดนนะเออมันชอบวิ่งมาที่ไอ้เนี่ยไอ้ที่เต้ทุนกุติเก่าหลวงตาที่ตายเน่ยมันนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไปไหนคนก็เข้ามาตีก็ก็มีมีอยู่วันหนึ่งหลวงตาองนึ่เห็นไล่เลยโมโหอยู่ว่าอยากก่อมายตีเป็นใหญ่ร้อง วิ่งไปก็กลับมานอนที่เดิมหลวงพ่อเหนียมก็บอกอย่าไปตีมันก็เลยบอกนั่นแหละหลวงตาก็ว่ากันะหลวงตาที่ก็เลยอ้างชื่อหลวงตาที่ตายโอ้ทุกก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงนะแต่คนก็เชื่อถือหลวงพ่อเนียมกันเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือมีเล่าหลายหลายอันนี้มีเรื่องเยอะนะอันนี้เล่าสองเรื่องแปลกๆ ก, ก็คือเป็นหนี้เขาไม่ใช้เนี่ยตายแล้วเกิดเป็นควายเออแปลกที่เมื่อวานนี้มีโยมเล่าให้ฟังหนักไปกว่านั้นอีกอันนี้เป็นหนี้อยู่ ไอ้คนจีนอันนั้นไปนเกิดเป็นม้าเ <c oughs> ออ น, นั้นหนักกว่า น, นั้นเลยแปลกนี่พอีมันนึกถึงแต่จริงไอ้เรื่องกรรมเนี่ยมันก็มัน ก, มนก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนึงเอ อ, เ อ, อตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสศาสต์ไ อ, อ้ภิกษุบอกภิกษุทั้งหลายบอกว่าให้ควรทํากิจสองอย่างในเวลาที่ประชุมกันคือสนทนาธรรมกันหรือมิฉะนั้นก็ให้นิ่งแบบผ้าลิยะเนี่ยคำว่านิ่งแบบผ้าลิยะในพระสูตรเนี่ย ไม่ท่านทํำยังไงท่านอธิกถ า, าจารย์ท่านแก้ว่านิ่งด้วยการเข้าปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นซึ่งมองเผืนๆจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของภิกษุความจริงแล้วแม้คารวะก็ปฏิบัติได้และควรปฏิบัติอย่างยิ่งคือภิกษุเนี่ยนะเวลาท่านประชุมกันเนี่ยน ะ, ะท่านก็จะสนทนาธรรมะกันทีนี้ถ้าหากว่าไม่สนทนาธรรมะกันเนี่ยท่านก็จะเข้าฌานองท่าน อันนี้คือกลุ่มในอดีตนะแต่ถ้าในปัจจุบันตั้วฌ า, านสมาบัติไม่ได้หรืออย่างเราคารว่าตั้งหลายชา น, านสมาบัติก็ไม่ได้ให้เอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาคิดอาบางกลุ่มก็ไปคิดในเมตตากรรมฐานกันเลยในเจริญเมตตาตรึกในเมตตากรรมฐานตรึกในกรุณากรรมฐานตรึกในมุทิตากรรมฐานตรึกในอุเบกขาเระกรรมฐานกันเลยหรือว่าจะตรึกในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะ เขาก็คิดกันนี่เขาอยู่กันนิ่งๆก็ทําอย่างนี้เออถ้าทําบรรยากาศอย่างนี้มันดีนะเขาเรียกบรรยากาศที่บัณฑิตอยู่ด้วยกันนี่เป็นเนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าแต่ถ้าหากว่าคือท่านเหล่านั้นถ้าเราไปอยู่ด้วยกันเบ็ดเสร็จแล้วก็คุยไปทั่วเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรื่องนะไม่ใช่อยู่นิ่งด้วยการคิดฟุง้งซ่านอันนั้นก็ไม่ได้เช่นพออยู่นิ่งๆแล้วโอ้โหบาปมาเป็นแถวคิด เรื่องบาปเรื่องอกุศลฟุ้งซ่านไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้บุญโดยสรุปก็คือว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยมีศรัทธามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้าจะขาดปัญญาการรู้แจ้งแทงตลอดทำก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์ด้วยองค์นะั้นนะั้นด้วยองค์สทีนี้ในเรื่องราวต่อไปก็ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากคันธกุดีแล้วเนี่ยท่านพระนันทะกะ ก็กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายกับที่ประชุมในที่นั้นว่าดูกอ่อนอวุโสทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงประกาศพระมารย์าในบริสุทธิ์สิ้นเชิงด้วยบททั้งสี่แล้วเสด็จกลับยังพระวิหารแล้วดังที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้วดูกอ่อนอวุโสทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธทมตามการในการสนทนาธรรมตามการมีห ป, ประการคือท่านยังแสดงทำต่ออีกนะพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วไม่เหมือนเรานะสมมติว่า มีคนหนึ่งมาสแดาสดงทำแไปเศรษฐีคนหนึ่งลุกไปแล้วเตรียมลุกตามเลยนะโอ้ยเอาแล้วพอแล้วนี่อันนี้ฟังฟังก็พอแล้วไอ้เขาทําไมฟังทํามากกันได้มากเหลือเกินเขาวางใจกันยังไงเออเขาตั้งใจยังไงในใจเขาคิดยังไงใช่ไหมเออในกระแสะใจเขาได้รับอะไรได้เยอะเหลือเกินเนี่ยอย่างว่าสนทนากันทั้งคืนเนี่ยแหมถ้าอย่างเราเนี่ยไม่รู้กี่รอบเลย นั่งหลับในไม่รูกี่รอบเลยแต่แสดงก็เขาฟังแบบตื่นเต้นเลยท่านนะฟังกันจริงๆกันนี้ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดภิกษุนั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่ยกย่อง เป็นที่เส ร, เริญของพระศาสดาด้วยประการนั้นนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งในการฟังทาตามการในการสนทนาทาตามการโอ้ถ้าหากว่ารู้ตรงนี้แล้วว่าถ้าใครอยากเป็นที่รักของพระบรมศาสดาเป็นที่ยกย่องของพระบรมศาสดาไอ้คำว่าเป็นที่รักของพระบรมศาสดาเป็นที่ยกย่องของพระบรมศาสดาเนี่ยถึงแม้ตอนนี้นะ พระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันท่านพอดีนี้ผานไปแล้วแต่ถ้าไปเจริญศาสดาในองค์ต่อไปในอนาคตเนี่ยท่านก็ระลึกได้โมโหท่านผู้นี้แสดงธรรมท่านผู้นี้ฟังธรรมคารพในพระธรรมตามการว่ากันอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมสแสดงธรรมมันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศพมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆ เธอย่อมทราบซึ้งอัดทราบซึ้งทำในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองฉะนั้นถ้าหากฟังแบบตั้งใจจริงๆในที่สุดจริงๆจะทราบซึ่งนะเป็นอนิสงส์ประการที่สองในการฟังทำตามการในการสนทนาธทำตามการตอนเนี้ยท่านพระนันทกะท่านแสดงอนิสงส์ในการฟังธทมและการสนทนาธรรมตามการไว้ห้าอย่างอย่างแรกท่านแสดงว่า ผู้แสดงธรรมะย่อมเป็นที่รักให้เป็นที่ยกย่องของพระศาสดาวงันดังที่ในสูตรนี้ท่านเองได้รับยกย่องจากพระบรมาศาสดาว่าแสดงธรรมะได้แจ่มแจ้งแม้ในที่ทั่วไปท่านก็จะรับยกย่องจากพระบรมาศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการแสดงธรรมแก่ภิกษุณีตามปกติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ย สงสารลเสริญการฟังธรรมและการแสดงธรรมมากฉะนั้นเมื่อมีผู้ใดสามารถแสดงธรรมได้ไพเราะถูกต้องตามที่พระองค์ตรัสไว้พระองค์ก็จะชื่นชมแล้วก็อนุโมทนายกย่องผู้นั้นเป็นธรรมดาถ้าพิจา ร, รณาอย่างนี้ทําให้ทําให้น่าคิดว่าภิกษุที่พระพุทธเจ้าโปรดปรานเนี่ยนะเป็นภิกษุที่แสดงธรรมและท่านประพฤติปฏิบททัติธรรมแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะ พระที่เขาจะยกย่องเนี่ยต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะต้องเป็นอีกรูปแบบรูปแบบไหนนัน่นทงต้องเป็นอีกรูปแบบหนึง่งหรือต้องก่อสร้างดีด้วย <c oughs> ถ้าสร้างไว้ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ยเยอะนะเขาวัดกันตรงนั้นนะรู้เปล่าตอนนี้ไม่ได้วัดด้ที่ที่กล่าวพระธรรมไม่ได้วัดแล้วถ้ากล่าวถูกต้องตามพระธรรมนี้ไม่เอาต้องกล่าวแบบประเภทประเภทผิดผิดเพี้ยนๆอย่างนี้ยอย่างดี อันนี้หมายถึงยุคยุคนี้เป็นยุคที่วิพผลิตมนุิการกันเนยเอะ อ, อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่พระบรมศาสด า, า, าเคยชื่นชมว่าเคยยกย่องท่านภาษารีบุตรท่านราพระมาหากัสปาพระมาหากัเจยนะพระนพระอานน์แล้วก็องค์อื่นเป็นอนิสงส์ประการแรกที่ผู้แสดงได้รับซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่ได้รับอนิสงส์ในข้อนี้จะได้รับอนิสงส์นั้น <c oughs> เพราะในสมัยที่พระบรมศาสดายังทรงมีพระชนอยู่ ในปัจจุบันนี้ไม่อาจได้รับอนิสงฆ์ข้อนี้ได้เพราะพระบรมศา ส, สดาสเสด็จดับขันทัปินิพันธ์แล้วก็จริงนะแต่ว่าเออมันมีข้อความในพระไตรปิฎกตรงนี้ฉบับภาษาอังกฤษที่เขาแปลและก็ในฉบับของสิงห์ของประเทศศิริลังกาในข้อหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าต่างจากของของขอ ง, ของไทยเราก็บอกว่ามีเหตุผลในฉบับของภาษาอังกฤษเป็นต้นที่เขาแปลเป็นไทยก็บอกว่า ผู้แสดงธรรมย่อมเคารพยกผู้แสดงธรรมย่อมเคารพยกย่องเทิดทูนบูชาพระบรมศาสดาเออแปลกมันต่างกันยังไงก็ไม่รู้ในนั้นก็บอกว่าข้อหนึ่งของไทยเราเนี่ยบอกว่าพระศาสดายกย่องแต่ของฉบับของภาษาอังกฤษก็ดีของศรีรังกาก็ดีบอกว่ า, าคนแสดงธรรมหรือผู้แสดงธรรมเนี่ยชื่อว่ายกย่องพระบรมศาสดาทั้งๆที่มีเหตุผลทั้งคู่เลยนะเนี่ย คนกล่าวพระธรรมจริงๆเนี่ยเคารพในพระธรรมนันก็ถือว่าผู้นั้นก็กยกย่องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมีเหตุผลน่าฟังดังนั้นในฐานะที่เอาธรรมะของพระบรมศาสศดามากล่าวก็จะภูมิใจใช่ไหมใครก็แล้วแต่ที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวเนี่ยภูมิใจตัวเองอย่างสมมุติพวกเราทั้งหลายท่องคําสอนได้ในเนี่ยในขณะที่เอาคอําสาวคําสอนไปสยายทายาเนี่ยเราก็ภูมิใจตัวเองเนะโอ้เกิดมาเป็น สาวเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายมากลัานี่ลักษณะนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นข้อภูมิใจอันนี้สองประการที่สองผู้แสดงธรรมย่อมทราบซึ่งในอัตและในธรรมนั้นๆข้อ น, นี้ก็คือว่ามีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วก็เข า, าสามารถกล่าวธรรมเองได้และสะดับตรับฟังศึกษาค้นคว้าพินิจพิจรารณาถีถ้วนแล้ว แล้วก็จะสามารถเข้าถึงเหตุผลตลอดถึงความลี้ลับต่างๆซึ่งลึกซึ้งของธรรมะเหล่านั้นได้อันนั้นเป็นอานิสงสง์ประการที่สองประการที่สท่านพนันธากาศแสดงว่าภิกษุย่อมแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุดูก่อนอวิโสทั้งหลาย ภิกษุย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆก็ดีภิกษุนั้นย่อมแทงตลอดบทแห่งอัดอันลึกซึ้งในธรรมนั้นเห็นได้ปัญญาด้วยประการนั้นนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สมในการฟังธรรมตามการแล้วก็สนทนาธรรมปานกลาเออนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นนะ่ยเวลากล่าวพระธรรมไปเนี่ยสามารถแทงตลอดบทได้บางทีเราศึกษาคําสอนกันเนี่ยบางทีมองไม่ออกใช่ไหม ยังยกตัวอย่างเวลาพกล่าวในเรื่องของศีลเนี่ยก็แทงศีลไม่ทะลุไม่ทะลงเนว่าเออเมื่อศีลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอานิสงค์ของการรักษาศีลเนี่ยศีลมีอะไรเป็นเป็นอานิสงค์ถ้าศึกษามาดีก็บอกอ๋อมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงค์นี่เริ่มแทงตลอดไปแบบนี้เออศีลเนี่ยได้ความไม่เดือดร้อนใจได้ความไม่ลำบากใจได้ความไม่รุ่มร้อนใจเนี่เป็นอานิสงค์ แล้วความไม่ร้อย ค, ความไม่เว็บปฏิสารความไม่เล่าร้อนใจมีอะไรเป็นอนิสงบอกมีปราโมดมีปราโมดเป็นอนิสงอ่ะแล้วปราโมดมีอะไรเป็นอนิสง์บอกมีปีติเป็นอนิสง์ลยหนึ่งอ่ะปีติเรามีอะไรเป็นอนิสง์มีปัสสธิในส่วนของกายยปัสสติจิตตปัสสติความสงบของเจดสิกขันสามและความสงบแห่งจิตในการงานที่เป็นกุศล คือปัจสทความสงบเนี่ยมีอะไรเป็นอนิสง์บอกมีความสุขเป็นอนิสงอย่นี้แล้วความสุขมีอะไรเป็นอนิสง์มีสมาธิเป็นอนิสงสมาธิมีอะไรเป็นอนิสง์มียถาภูตญาทัทสนะเป็นอนิสงยะถาภูตญาทัทสนะคือการแทงตลอดด้วยดีเนี่ยนะมีอะไรเป็นอนิสง์บอกมีนิพิทาคือ ก, การเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรบอกเบื่อหน่ายขันที่เป็นไปในภูมิสาม ขันที่เป็นไปในการมาภูมิรูปภูมิรูปภูมิเบื่อหน่ายทั้งหมดเลยเนี่ยนะการเบื่อหน่ายเนี่ยไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วแบบอยากฆ่าตัวตายนะการเบื่อหน่ายแบบฆ่าอยากฆ่าตัวตายอันนั้นไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่นิพิทามีพระในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยนะท่านก็อยากฆ่าตัวตายเพราะเห็นสังขารมันเป็นทุกข์ที่ท่านคิดอยากฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะโทษที่ท่านเคยทําปนัติบาตมานะ คนบางคนเนี่ยที่เคย ท, ทําปานาติบาตมาคิดไปคิดมาอยากจะฆ่าตัวตายเขามีคนคนหนึ่งด้วยนะเป็นหมอด้วยนะตามธรรมดาคนที่จะเป็นหมอจะต้องมีความคิดไม่ธรรมดาใช่ไหมแกบอกเวลาเห็นมีดทีไยก็อยากจะเอามาเชือดคอหอยแกทุกทีเลยก็ว่างั้นพอเห็นทีไรอยากจะจับมาเชือดเลยว่าเห็นไม่ได้แล้วมั น, ม, นมันนึกมันเคี้ยวเขว่างั้นเลยนะอยากจะเอามาเชือดในขาดเลยแกก็แกก็แก้ไม่ได้แกไปถาม ถมคนไปทั่วโอค้คเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยถ้าคนเรียนเรื่องกรรมมาจะรู้ว่าอันนี้คือโทษของปรราดิบตัตินั้นพระในสมัยขั้งวุฒิการเนี่ยฆ่าตัวตายเพียบเลยไอ้ที่กลุ่มเคยทําปรดาดิบาติมาเยอะๆเนี่ยนี่เหมือนกันท่านก็คิดอยากฆ่าตัวตายในขณะนั้นก็มีพระอยู่รูปนึงท่านจับงูได้ใช่ไหยจับงูก็ใส่ตุ่มใส่ไหก็จะไปปล่อยเดินผ่านท่านมาท่านก็ถามว่าเอออะไรบอกเอองู ว่าท่านมีความคิดทันทีเลยบอกเอเดี๋ยวเราจัดการตัวเองได้แล้วขอบอกว่าเดี๋ยวเอางูไปปล่อยให้ว่างั้นนะท่านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะจัดการงูตัวนี้ยฆ่าตัวเองตายเลยว่างั้นจะให้งูกัดยังตายแบบนี้ยังมีฟอร์มดีกว่าเลยนะดีก็่ฆ่าตัวตายนองๆอย่างนั้นคนคิดฆ่าตัวตายมีคิดแปลกๆนะตายแบบแบบมีฟอร์มท่าก็ถือไห้ไปเลย ไปถึงก็เปิดปากหายขึ้นพอไกลๆหน่อยก็ล้วงเข้าไปล้วงจะให้มันกัดเนี่ยองูก็ไม่กัดเลยไปจับจับจับไงก็ไม่กัดพราะไม่กัดก็ทํายังไงก็ไม่กัดก็คว้างูคองูขึ้นมาคว้ามาก็ไปจี้จี้ที่คอก็ไม่กัดจี้ที่แกนก็ไม่กัดไปจี้ตามลําตัวเนื้อในใจทําไงก็ไม่กัดก็เลยอแย่ก็ไปในปากเลยทมันก็ไม่กัดมันก็อมเฉยอย่างเงี่ย แตนในใ่เน้อใจใไอ้นี่มันงูบ้านเนี่ยครับวันงั้นไม่ใช่งูปางงูบ้านก็เลยกลับไปไปปล่อยก็ไปเล่าให้พระฟังไม่งูที่ท่านเอามามันงูบ้านเนี่ยว่านั้นพระท่านก็บอกว่าไม่ใช่งูมีพิษก็เรื่องนี้ก็ถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอ้องูตัวเนี้เคยเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ของพระรูปนี้ในอดีตเ <c> อ <oughs> ื้อทาสที่ซื่อสัตย์มันจําสัญญาเก่าได้ แต่อย่าไปทดลองนะท่านทํำนะยุ่งเลยต้องบอกเลยเดี๋ยวอาจจะเป็นญาติเราอะไรเงี้ยไอ้ที่ที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะเมื่อวันก่อนที่พูดเรื่องงูไม่ใช่อะไรเมื่อวานก่อนพระที่อยู่ด้วยกันท่านอยู่ห้องมีห้องพระธาตุงูมันเข้ามานอนอยู่ท่านร้องวิ่งรั่นเลยแล้วก็ น, นึกถึงเรื่องนี้นะแต่ไม่ได้เล่าให้ท่านฟังนะเพราะเร่งนึกได้นะ ท่านก็เลยจับเอาไปป ล, อล่อยแล้วสงสัยจะเป็นญาติกันหรือเปล่า <c oughs> อยากจะไหว้พระธาตุหรือเปล่าหรือข้างบนมีพระธาตุสงสัยอยากจะไหว้พระามานอนสงบเฉ ย, อ, ย <c oughs> อันนี้สองข้อที่สมท่านพระนันทากะาแสดงว่าอีกประการหนึ่งภิสูจย่อมแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูก่อนเอาอุโสทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการใดๆก็ดีภิกษุนั้นย่อมแทงตลอดบทแห่งอัดอันลึกซึ้งในธรรมนั้นเห็นด้วยปัญญาด้วยประการนั้นนี้เป็นอดีทรงแห่งประการที่สามแห่งการฟังธรรมตามการสนทนาธรรมะตามการเออในในในข้อนี้บทแห่งธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยกตัวอย่างเช่นบทปฏิจจสมุปาทเนี่ย อาศัยตาและรูปเกิดจากขูวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาเนี่เนาเพราะภาษาเป็นปัจจัยยังเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยยังเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยยังเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยยังเกิดพบพบพบเป็นปัจจัยยังเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณาโสกกาปริเทวะทุกขโทมนาสะและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ ดูก่อนภิกษูต ท, ทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งโลกนี้คือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกอัดที่ลึกมีปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นสามารถที่จะมองทั้งอนุโลมปฏิโลมเป็นต้นเอะไรเนี้ยนะถ้าหากคนที่จะมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตลอดด้วยแทงตลอดด้วยดีเนี่ยก็ต้องคนที่ฟังธรรมะบ่อยๆถ้าฟังไม่บ่อยเนี่ยเอาหกพันตัณหาลึกๆนี่มาขบคิ ด, ค, ดคิดไม่ออกอะ่ะเช่นจกักขคูประศาสเนี่ยคิดไงก็ไม่ออกนะ ไอตัวจักขคูประสาทเนี่ยว่าเป็นขันเป็นขันอะไรเนี่ยอ๋อเป็นรูปประขันว่าเป็นอายะตนาเป็นจักรขวายะตนาว่าเป็นธาตุเป็นจักขคูธาตุเนี่ยนะรูปารม์ว่าเป็นรูปเป็นรูปประขันว่าเป็นอายะตนาเป็นรูปายะตนาเป็นรูปรูปประธาตุเนี่ยส่วนจักขคูวิญญาณนั้นเป็นมัญนายะตนาเป็นมโนวิญญาณเออเป็นเป็นจักขคูวิญญาณธาตุแล้วก็เป็นวิญญาณขันเนี่ยมันก็มันก็มองอัดอันนี้ไม่ลึก แต่คนที่ก็สามารถแยกแยะละเอียดละออตรงนี้ได้นี่ก็แปลว่าคนที่ก็ฟังบ่อยๆนี่เป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุย่ำแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอาวุโสทั้งหลายภิกษุย่ำแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆก็ดี เพกษูนั้นย่อมได้รับการสรรเสริญจากเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ด้วยประการนั้นนั้นยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้บรรลุแล้วหรือกำลังบรรลุอยู่เป็นแน่นี้เป็นอานิสงส์ประการที่สี่ในการฟังทำตามการในการสนทนาธรรมตามการลองดูดิไปหาท่านทับตอนไหนก็ฟังได้รรมาเนี่ยนยะหยุดจากการฟังท ร, รมก็สนทนาธรรมหยุดจากการสนทนาธรรมก็ฟังทรรเนี่นะ ฟังทำมาสนทนาทำอยู่อย่างเงี้ยบอกโอ้โหท่านพวกนี้จะต้องมีคุณอะไรในในตัวเองเจะได้กระแสจิตไม่ว่างเว้นจากคําสอนเลยถ้าทําได้อย่างงี้นะแต่คารว่าทำยากเหกันนะแต่ถ้าทําได้จริงๆเนี่ยเอาถามางี้ถ้าเราตรึกแต่ว่าทำตลอดเวลาอย่างเงี้ยคิดว่าจะอดไหมฮนะไม่อดหรอกไม่ต้องโอดแนะลอ ง, องตั้งมั่นจริงๆนะอย่าไปคิดว่าคงไม่มีใครเลี้ยงเราเนี่ยเมน ธรรมะคุ้มครองกนธรรมะจะคุ้มครองถ้าตรึกได้ขนาดนั้นแสดงว่าจะต้องมีเริ่มจะเริ่มเริ่มมีคุณวิเศษแล้วและคุ้มครองได้จริงๆนะเอาลองคิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากล่าวแสดงธรรมะฟังธรรมะสี่บาทพระคถาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติสัพพังระสังธรรมะระโสชินาติสัพพังระติงธรรมรตีชินาติตันหาคโยสัพพะทุกขาชินาตินี่สีบาทคาถาเงี้ยนะ อา น, นิสงฆ์มากกว่าถวายจีวรเดชพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและถวายแก่พระอาหารหันตแต่สาวกที่นั่งเต็มห้องจักรวาลตลอดถึงพรหมโลกต้องดูอา น, นิสงฆ์มากขนาดนั้นเนี่ยนั้นฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าชนะการให้ทั้งบวงให้ธรรมนฟังถ้าธรรมมากก็เป็นบุญใหญ่เป็นบุญสูงนะฉะนั้นเวลาฟังธรรมหรือเวลาตรึกพระธรรมแสดงธรรมสาธยายธรรมรรมาแล้วเนี่ยเขาจึงต้องให้อุทิศ ส, ส่วนกุศลอีกประการหนึ่งพิสูจย่อมสแสดงธรรมมันงามในเบื้องต้น งามในถ้ำกลางงามในที àn, ่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งวิญญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่มแสดงธรรมันงามในเบื้องต้นงามในถ้มกลางแล้วก็งามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดดาพร้อมทั้งวิญญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ชิ้นสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆภิกษุเหล่านั้นภิกษุเราใดเป็นพระเสขะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระาน คำว่าเป็นพระเสขะเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหมหมายความว่ายังเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกาทาคพระพระนาคอันนี้เขาเรียกเป็นพระเสกขะยังไม่บรรลุเป็นพระนานปราถนาธรรมะอันกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกศูเรานั้นฟังธรรมานั้นแล้วย่อมปารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งส่วนภิกษุเราใดเป็นพระอาหารขีนาศพอยู่จบพมจา์ทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วโปรงภาระได้แล้วเราปรงหรือยังเราปรงภาระในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรชื่อของขันขันทภาละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในชื่อว่าขันเขาเรียกขันทภาละใครคือใครคือผู้แบกภาละ ใครดีคือผู้แบกภาระคนใครก็แล้วแต่ที่ยังมีอุปาทานขันอยู่เนี่ยนแล้วยังยึดว่าเรามีของของเรามีเป็นต้นเหล่านั้นนะชื่อนโน้นโคตรอย่างโน้นเป็นต้นอันนั้นคือผู้แบกภาระใครเป็นผู้วางภาระพระพุทธเจ้าได้วางหมดแล้วอย่างเราก็พอวางขันท่าภาระนี้เบียดเสร็จแล้วก็ยึดถือเอาขันทภาระาใหม่ต่ยึดท่ นี่เป็นอย่างเงี้ยโหหนักพอวางเบ็ดเสร็จแค่นั้นวางในขนาดไหนจุติขนาดคือตาย น, นีแล้วก็ปฏิสนธิก็ยกขันธภาราขึ้นมาใหม่แล้วก็บริหารขันต่อไปอพอหมดอายุไขในภพนั้นก็วางขันอีกแล้วก็แบกอีกต่อไปทำอยู่อย่างเงี้ยคือวางแล้วไม่วางไปเลยอ่ะแล้วแบกต่อ น, นี่แบกแล้วบนน่บนนะบ่น โอ้โหช่วงนี้เครียดมากกว่างั้นนะเนะนี่อันนี้แบกก็ช่วงนี้เครียดนี่แบกแบกขันธ้าพาแล้วแล้วแบกต่อไอ้ที่บนแบบนี้ชอบได้นะใช่ไหมเพราะว่าบ่งบอกถึงความสามารถก่อนเออแล้วมันแบกอยู่อย่างนะไอ้การแบกขันเนี่ยเออจะให้คิดเองไม่ยอมคิดเช่นว่าจะแบกแบบประเภทที่ว่า เบื่อแล้วจะไม่แบกเนี่ยมันมันอยากจะแบกขันใหม่เออมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะในกลุ่มที่เขาหวางพบชาติกันทั้งหลายเขาก็เออเราเราแก่แล้วใช่ไหมเขาก็เร่ร่งทําบุญกันอย่างออพอทําบุญเสร็จเสร็ก็บอกว่าไปชาติหน้าจะได้สบายกา็คือจะได้จะไดไ้ไปเกิดที่สบายกว่านี้คืออยากจะไปแบกใหม่อยังคิดไม่ทะลุนะว่าจริงๆไม่มีขันไหนสบายสักขันหรอกแต่ แต่ด้วยการที่เขาถูกมารหลอกนะมารก็มาหลอกมากระซิบอยู่ข้างข้างหูบอกว่าเออนี่ขันนี้มันเก่าแก่มันข้ามค่าแล้วเดี๋ยวไปไปแบกขันใหม่ก็ก็เชื่อเชื่อมารแล้วนี่ก็ไปนี่ก็ตั้งจิตปรารถนาหวังพบก็เลยไปแบกขันใหม่พอไปแบกขันใหม่อีกเป็นทุกข์